บุ <Book> 2สาการทำความรู้จักสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดเบร์เดนดเดนสบายดีไหมคะกักซีคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะออเอวร์ปลิสเ ต, เสเตคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ อออเมริกาลิเตอคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะอออาเซีลิเตอคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะกอยฮเทเตตลเทอตสแตนเลคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ กี่คู่ที่จะต้องกี่คู่ที่จะต้องคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะก о ่คู่เวร์เ е ชเคุณชอบที่นี่ไหมคะุุคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ ด и ในการพูดชีวเคาลิสต์ตุกมาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะเอวัติ н ินาโกสติเอ и ัต н มินาโกนี่คือที่อยู่ของดีฉันค่ะเอตเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ จะเจอกันเลยอุ่นรขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่างซาเจลยวัมเวชอมัมเนชพดวิตลาก่อนค่ะจาวลาก่อนค่ะ ดวิ่งด้วยเน่แล้วพบกันนะคะดสโคโรดสโคโร